ซึ่งมีชีวิต ท, ที่เราเรียกว่าสัตว์หรือว่าเดรัชานี่ก็มีจิตใจหรือเปล่านะเขามีคุณธรรมอย่างมนุษย์บ้างไหมแต่ก่อนแล้วก็คิดว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีคุณธรรมแต่เดี๋ยวนี้ก็พบว่าสัตว์นี่มันก็มีเหมือนกันนะเช่นความเอื้อเฟื้อหรือว่าการรู้จักตอบแทนบุญคุณนะ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 เข้าลิงสองตัวเนี่ยมาอยู่ในกรงติด ก, กันนะลิงชนิดนี้เขาเรียกว่าลิงคาปูชินนะมันน่ารักดีไม่ค่อยดูเหมือนกับพวกลิงสแสมลิงคาปูชินนี่เขาก็มาไว้อยู่ในกรงสองกรงกรงแรกนี่มีหินอยู่ก้อนหนึ่งกรงที่สองก็มีขวดโหลใส่ทั่ว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 มันก็คงคิดว่ามันเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยควรจะได้เท่าๆกันให้ความคิดแบบนี้ก็เรียกว่าความเป็นธรรมได้นะอันนี้ก็เาเาต้องการด้วยจริงๆเนี่ยมันมีความเป็นธรรมจริงหรือเปล่านะมันมีสำนึกเรื่องความเป็นธรรมจริงหรือเปล่าเขาก็ทําการทดลองอีกแบบหนึ่งนะก็ใช้ลิงคาบูชินสองตัวให้อยู่คนละอยู่คนละกรงนะถ้ากรงนี่มันเห็น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 โกรธโยนแตงกวาทิ้งเลยมอนงานหนึงน่งมันก็โง่นะเพราะว่าแตงกวาเนี่ยจริงจงมันก็ชอบนะอ้ถ้ามันโยนแตงกวาทิ้งอะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีกินเลยไอ้ความรักความเป็นธรรมนี่ข้อดีมันก็มีนะแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดได้น้อยกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะไม่พอใจสิ่งที่ได้มา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 เช่นได้โบนัสเป็นโทรศัพท์มือถือนะก็ดีใจนะแต่พอร่ว่เพื่อนเนี่ยเขาได้ i iPhone นไอเรานี่ได้แค่ยี่ห้อ iMobile นะแต่เพื่อนนี่ได้ iPhone ก็คงไม่พอใจแล้ว น, ะ, นะอาจจะโมโหถึงขั้นว่าคว้างโทรศัพท์ทิ้งเลยก็ได้ทั้ที่โทรศัพท์นี้ก็ยังใช้ได้นะแทนที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์